ข้อความจะเดินในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังเท่าไรแต่ลมประากฏญาณกำลังนำเสนอจุดเด่นที่ควรสนใจในปฏิจจสมุปบาทสือต่อกันมาตามลกดับในการแสดงปฏิจจสมุปบาทสายเกิดนั้นบางครั้งจะไม่เกี่ยวกักบสัตว์กับบุคคลที่ท่นานใชรคมบรลีว่านิสโตนิชีโวสุญญ นิสโตคือไม่ใช่สัตว์นิชิโวคือไม่ใช่ชีวะแล้วก็สุญญโยก็คือเมื่อย่อยไปแล้วก็ว่างเปล่าคือไม่มีอะไรแต่เนื่องจากสายเกิดเป็นสายมีองค์ประกอบของสังขารธรรมทั้งหลายคือหมายความว่าเป็นของผสมกันทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยลําพังคือมันจะมีที่ไม่มีสิ่งผสมเลยก็เฉพาะสายดับ คือตัวนิโรธทวานคือตัวนิโรธตอนตัวทุกข์กับตัวสมุทัยเนี่ยที่จริงก็เป็นเครื่องปรุงแต่งก็เรียกว่าเป็นสังขารที่เป็นนามธรรมาก็มีเป็นรูปธรรมก็มีตอนในการแสดงถ้าหากว่าผู้ฟังมีพื้นฐานที่จะรู้ให้ลึกซึ้งเข้าไปคือเข้าถึงแก่นแท้ได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ก็จะทรงแสดงในรูปของกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยไม่เกี่ยวกัโดยสัสตว์โดยชีวะแต่ประการใดหลักแบบนี้มักจะแสดงแก่ผู้ที่เป็นภิกษุเป็นประการสำคัญเพราะว่าท่านที่เป็นพระภิกษุนั้นบางรูปก็มีวาสนาบารมีสูงที่จะหาประโยชน์จากคำสอนซึ่งขึ้นไปกว่านั้น แต่ไม่ได้หมายความมาเป็นข้อยุติว่าถ้าแสดงกับพระภิกษุแล้วจะต้องแสดงในยักของเหตุปัจจัยทุกคราวไปเพราะพระก็คือคนมีพื้นฐานทางสติปัญญาวั ส, สนาบา ร, รมีไม่เหมือนกันก็นี้จากในพระคุณสูตรพระโมริยักภนะุกุณะได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าความว่าใครย่อมถูกต้องเสวยอารมณ์ เตโยธิยานอยากได้ยึดมั่นเป็นต้นนี่นะเราจะเหนว่าสวยอารมณ์ก็คือตัวคนที่สวยเวทนามันก็เป็นการถามตัดจากอายตนาภาษาเวทนาตัณหาอุปาทานคบชายก็ถามถามปฏิจจส้วงบาทนั่นแหละจะถามในรูปของตัวตนบุคคล หรือท่านที่จะถามอย่างสายที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นก็ถาม ถ, ามถึงว่าใครนะที่จริงมันก็ใครนามรูปนี้คือใครก็ได้มันถามมาจากตัวหัวนู่นก็ได้นามรูปนี้คือใครอายตนะนี่คือใครภาษานี่คือใครก็ได้นะใครเป็นกระทบใครเป็นผู้กระทบใครเป็นผู้สวยอารมณ์ทีนี้ท่านที่รู้เจ้าจะ รับสั่งตามตามคำถามนีคยตามคำถามที่ใช้คำว่าคนหรือใช้คำว่าใครเนี่ยก็รับสั่งเตือนให้สติเพื่อเห็นว่าถามอย่างนั้นมันมีลักษณะยุติจูเยอะเพราะจริงๆตรงนี้มันไม่ได้มีสัตว์ไม่ได้มีชีวะเป็นเป็นกระบวนของธรรมะก็คือในปฏิยตสมบาทก็แสดงเป็นรูปของภกษะเวทนา ศนาอุปาทานพบชาตินะฮะเราจะเห็นว่าพอมาถึงชาติมันก็เริ่มจะมีเป็นรูปของชีวิตขึ้นในความเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันก็เป็นเพียงกลุ่มของนามาทำเท่านั้นวันเมื่อใครผูใรร้ใครย่อมถูกต้องสะเวยอารมณ์ใครย่อมถูกต้องคือใครเป็นผู้กระทบใครเป็นผัสสะ ใครเป็นเบทนาพูดยังไงน่นะถามถามถามแบบภาษาสมมติ่ะใครเป็นผัสสะใครเป็นเวทนาแล้วใครเป็นคนทะเยตยานอยากได้แล้วเมื่อทะเยอทะยาอยากได้แล้วใครเป็นคนยึดมั่นถือมัน่นแต่ตรงคำที่เรากราบมาโดยลำดับนั้นไม่ได้พูดว่าใครได้พูดถึงเรื่องอะไรแลวถ้าถามจริงๆอะไรมันก็ยังเป็นสมมติอยู่นะ เพาจริงๆมันไม่แค่สัตว์ไม่ใช่ชีวะดังกล่าวเพราะผู้ทรับสั่งว่าตั้งปัญหาไม่ถูกคือตั้งปัญหาผิดมันเริ่มต้นที่ไปยึด ต, ติเป็นความเป็นสัตว์เป็นชีวะซึ่งที่จริงแล้วคำว่าสัตว์คำว่าชีวะนั้นจะต้องเป็นองค์ประกอบร่วมกันของนามแลรูปหรือว่ากายกับจิตหรือว่านามกับรูปหรือรูปกับนามแล้วแต่นะ เกิสรุปว่ามันมันเริ่มเป็นชีวิตเนี่ยตอนหัวต่อตรงที่เป็นนามรูปอวิชชาสังขารวิญญาณ น, นามรูปอายตนะปัสสเวทนาตรงนี้ทั้งหมดอนี่ยนะตัวนี้ทั้งหมดวิญญาณ น, นามรูปอายตนะปัสะเวทนาห้าอย่างเนี่ยสรุปแล้วก็คือชีวิตซึ่งเป็นสมมติเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่นามรูปมาปรากฏอยู่ด้วยกัน แล้วก็เป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเพราะันพอพระโมริยะท่านกราบทูลโมริยะภกุณท่านกราบทูลถามอย่างนัน้ก็รับสั่งเตือนให้สติว่าตั้งปัญหาไม่ถูกควรจะถามว่าอะไรเป็นปัจจัยจึงเกิดทศัณฐ์เพราะตั้งแต่ต้นมา เวทนามีเนี่ยเพราะอะไรมีเวทนามีรภาษงไอ้ไม่ใช่อวิชามีเพราะอะไรมีเพราะสังขารมีสังขารมีเพราะอะไรมีเพราะวิญญานมีก็กลับไปเรียกว่าอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารนะครับเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณก็แล้วแต่จะรับสั่งในแนวถอยกลับเดินไปตามลําดับด้วยย้อนลําดับที่เรียกว่านุโลมปฏิโลมเมื่อพระพักตร์ณโมริยะกลับถุน พระโมริยะภคุณะกลับทูลถามอย่างนั้นก็รับสั่งเตือนว่าตั้งปัญห า, ามไม่ถูกควรจะถามว่าอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดอะไรในตรงนั้นท่านตัดมาจากตรงกลางคือตัดมาที่ผัสสะก็รับสั่งว่าควรจะตั้งปนหาถามว่าอะไรเป็นปัจจัยจึงเกิดผัสสะปัจจัยนั้นก็รับสั่งแสดงไปตามที่ที่ว่าไวในตอนตอน้ตนๆ น, นะครับ แต่ก็เป็นแนวหนึ่งคือเป็นอีกในญานหนึ่งเป็นการรับสั่งปฏิจจสมุปบาทที่ตรงกลางตรงกลางตอนที่มันเป็นตัวเจตสิกนั้นไว้ใจตัวผัสสะนั้นเขาเรียกว่าเป็นพวกเจตสิกกธรรมคือตัวมันเองเป็นกลางกลางนะคือไม่ดีไม่ชั่วอะไรตัวเวทนาก็เป็นเจตสิกกธรรมแล้วก็เป็นกลาง เป็นตัวเป็นตัวปลนปลื้จิตปรุงแต่งจิตด้วยแต่ที่มันเปลี่ยนแปลงเป็นอกุศลเนี่ยมาตอนมันเกิดตัญหาเพราะฉะนั้นเราลองสังเกตนะว่าลองสังเกตว่าตัวอัตนาตัวผัสสะตัวเวทนาเนี่ยอยตนาที่เราสัมผัสเนี่ยมันไม่ได้หมายความมาต้องเกิดอกุศลเกิดอะไรก็ได้่ะ เกิดกุศลก็ได้เกิดอกุศลก็ได้เกิดกลางกาก็ได้มันจะมีอยู่สองระดับระดับหนึ่งคือพื้นฐานทางจิตของเราจริงๆถ้าเราดูให้ดีแล้วมันอยู่ที่องค์ประกอบสามประการนะพื้นฐานเดิมของจิตเราแล้วสานึกซึ่งเกิดขึ้นจากสัมผัสอารมณ์ในขณะนั้นนั้นแล้วก็ตัวอารมณ์หล่นั้น ตัวรูปตัวเสียงตัวปลิ่นตัวรส ต, ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยว่าโดยพื้นฐานเดิมเนี่อเรารู้สึกยังไงยกตัวอย่างว่าเราไปเจอพระพุทธ ร, รูปสวยงามมากแล้วก็พระพุทธ ร, รูปที่เรียกว่าปิดทองลงรักปิดทองเนี่ยคือถ้าเรามองโดยพื้นฐานของเราแล้วเนี่ย ต, ตัวกระทบนั้นมันอาศัยพื้นฐานที่เป็นกุศลมีความประทับใจมีความศรัทธาเรื่อมใสนะเข้าไปหาและปราบไหว้ด้วยความศรัทธาประสาทถากแต่ถามว่าเกิดอย่างนั้นแก่คนทุกคนหรือเปล่าก็เปล่าคือคนบางคนถ้าแกไม่มีแกมีอวิชาอยู่มากก็แสดงวันตนาต้องแก่มากกะคาดที่แกไม่รู้ว่าพราะพุทธรูปเหล่านั้นที่จริงชุบ ที่จริงก็เรียกว่าลงรักปิดทองแต่ก็คิดว่าเป็นทองเกิดโลภะก็ได้แทนที่จะกราบมันมองวางแผนทันทีคิดจะรักขโมยก็ถ้าองค์ใหญ่เกินไปก็คิดวางแผนจะ ต, ตัดส่วนนั่นส่วนนี้ส่วนโน้นไปจำหน่ายหายเงินแต่คนบางคนนั้นอาจจะรู้สึกเฉยๆก็ได้ แล้วก็แสดงให้เห็นว่าไอ้ตัวกลางๆเนี่ยตัวอายต้าตัวภาาัสาะตัวเวทนาเนี่ยมันจะเกิดเป็นดีก็จด้เป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้เป็นกลางๆ ก, ก็ได้เพราะในช่วงตัณหาเน้นอาจจะเป็นธรรมะตัณหาก็ได้คือมีความพอใจยินดีในกุศ ล, ลธรรมที่เรียกว่าธรรมฉันทะ คือความพอใจในธรรมหรือจริงๆในธรรมปณิชาพูดไปเห็นพระพฤติรู้ก็ถือว่าเป็นทัศนานุตรยะคือความเห็นอย่างยอดเยี่ยมเสร็จแล้วก็เกิดความศรัทธาเหลื่องเรื่อสายที่เปี่ยมล้นอาจจะเกิดอนุสติอาจจะชวนกันไหว้พระสวดมนต์อาดอกไม้ทุบเทียนมาจุดบูชาแล้วก็นั่งไหว้พระสวดมนต์จเจริญกรรมฐานก็ไปกันคล้ายๆกับเราไปที่สังเวเชเนียฐานเนี่ยแล้วมีคนเป็นันมากนะฮะ ไปหยิบช่วยของที่มีค่าซึ่งเขาถวายสักการบูชาอยู่ในสถานที่เหล่านั้นแต่ภาพเหล่านี้มันก็มีทุกคนทุกแห่งคือยังลึกขำที่ปรกสววธรรมนิเวศ ท, ที่วัดประวอรนิเวศพิหารเนี่ยเทามาอบรมกรรมฐ า, านบรรยายพระสูตรมายี่สิบกว่าปีแล้วในวันเสาร์ภาคเช้า บางวันเ น, นี่ยคนเยอะแต่ว่าเีขกว่าร้อยขึ้นทุกวันแต่ประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นทํากันว่าบางคราวในขณะที่คนก็นั่งหลับตาเจริญกรรมฐ า, านเนี่ยมีคนพวกหนึ่งซึ่งดูรูปแบบแล้วก็มาเจริญกรรมฐ า, านด้วยแต่พอเพื่อนเริ่มหลับตามาหาทางได้ฉกกระเป๋าเขาบางทีก็เอากระเป๋าตัวเองใหญ่มา มาถือแล้ววองเพื่อนใส่ในกระเป๋าตัวเองหรือบางทีก็ขโมยรองเท้าเขาจะก็มีคนีนพวกหนึ่งมานั่งเฝ้ารองเท้าให้คือไม่ถึงก็ขึ้นไปไหวพระสวดมนต์เจริญกับมาฐานแต่พาคุณแม่คุณย่าคุณยายมาตัวเองก็ช่วยดูแลรองเท้าให้ทางสาธุชนข้างล่างเห็นไม่ว่าสิ่งที่เห็นเนเหมือนกันแต่ว่าความคิดเนี่ย ความคิดที่เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเห็นนั้นจะแตกต่างกันไปตามพื้นฐานในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นเพราะเมื่อเรามองในรูปของกระบวนการที่ว่าภาษาเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหานั้นและเวทนานั้นมันเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้กลางๆ ก, ก็ได้นะแต่ว่าตัณหาเนี่ยมันเป็นเรื่องของกิเลสเ น, นื่องจากเราพูดสายเกิด แต่เราพูดสายดับเนี่ยมันอาจจะเกิดธรรมชั้นทาก็ได้จจเกิดวิริยะจิตตะวิมังสาเจดนในอิทธิบาทเึินมาก็ได้เพราะเวทนาเนี่ยตอนเวทนาเนี่ยว่าตอนพัรษะหรือตอนอายตนาก็ตามเชื่อภายในจิตเราเร่ อ, อาจจะพูดราวาสนาบารมีของคนแต่ละคนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การกำหนดค่าหรือการ ตีค่าของอารมณ์ที่เรากระทบมันไม่เหมือนกันผลแนวของศีลกับแนวของธรรมะแนวสมาธิสามระดับเนี่ยนะจะมีการเลือกเฟ้นคัดสันเพื่อมาให้จิตใ จ, จซึ่งไม่มีความเข้มแข็งเนี่ยไปกระทบอารมณ์ซึ่งยั่ว ย, ย, วยวุยั่วยวนยั่วยุให้เกิดโทสะยั่วย ว, ยวนให้เกิดราคะเกิดโลภก็คล้ายๆกับ เวลาเติมน้ำมันเนี่ยให้ดับเครื่องระยะสูบุรีนั่นเองเพราะน้ำมันมันไวไฟแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดับเครื่องตลอดออกไปไกลมันก็ต้องเดินเครื่องและแม้นรถมันก็ไปไม่ได้จะสูบุรีก็สูบได้แต่ถ้าไม่สูบได้ก็ดีนะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราสัมผัสในขณะนั้ น, น, น แนววิปัสสนากรรมฐานเป็นแนวที่แสดงว่าจิตใจต้องเข้มแข็งขึ้นจึงไม่ค่อยติดใจว่าอารมณ์ที่เราสัมผัสอ่ะคือตัวอายตนะภายนอกเนี่ยมันเป็นอะไรรูปอะไรเสียงอะไรกลิ่นอะไรรสอะไรกตภอพระคือสิ่งที่เรากระทบเป็นอะไรก็ไม่ค่อยติดใจเท่าไหร่พระพุทธศาสนาสามารถจะหาประโยชน์ได้จากทุกเรื่องที่ตนสัมผัส เกิดมาความว่าเกิดสมาธิติเกิดสมาสังกาปะเกิดสมาสติเกิดสมาวายามะเกินมาได้ดังนั้นนะสมบคนที่มีความฉลาดเราจึงพบประธรรมเทศนาที่ทรงแสดงสั่งสอนแก่บุคคลบางตัวบางทีให้ดูไฟไหม้ป่าเนี่ยให้เพ่งดูที่กองไฟซึ่งไม้ป่าและ้วระยักย้ายประธรรมเทศนาไป ก็แล้วแต่เรื่องอะไรนะไฟนี้จะเอาไฟเป็นอะไรล่ะไฟทําหน้าที่ในแนวองการเผาผลาญทําลายล้างปัญหาว่าทําลายล้างอะไรล่ะอาจจะทําลายล้างกิเลสก็ได้อาจจะทําลายล้างสิ่งที่เป็นมีกิ่นคุณค่าก็ได้เพราะนั้นไฟจึงอบรมเป็นเนอุ ป, ปมาเป็นกุศลก็ได้กุศลก็ได้แต่ถ้าพูดในเชิงแสงสว่างแล้วก็จะพูดในแนวกุศลเจ้าไฟคือยาน ความรู้ซึ่งมันสว่างและวขจัดความมืดเขียววิสาออกไปก็ออกมาเป็นอุปกรณ์สอนใจที่จะให้เห็นประโยชน์จากสิ่งแบบนั้นเอาะไรก็ได้เห็นชาวนาไถน้าข้าวนาช่างสอนดัดลูกสอนช่างถากถากไม้ก็ามาเป็นครูสอนธรรมะได้ตัวนั้นที่จริงเป็นอายตนาเป็นผัสสะเป็นเวทนา แต่มันก็เกิดเป็นธรรม a ต t a หาเป็นธรรมฉันทะคือความพอใจในธรรมแล้วก็คิดคนพินิจพิจารณาคนมีสติปัญญาแหลมคมมากๆเนี่ยเรียกว่ามีวาสนาบารมีสูงมันมองปัจจุบันแล้วก็ให้กลายเป็นอนาคตอนาคตการที่นานไกลก็เรียกว่า100ร้อยกว่าปีนะ อย่างพระเร ว, วัตะน้องชายคนเล็กของพระสารีบุตรคือพระสารีบุตรน้องชายตัวท่านน้องชายน้องสาวหลานชายได้วบวชหมดยังเหลือน้องชายคนเล็กอยู่คนหนึ่งก็แม่ไม่ยอมให้บวชแล้วกลัวว่าพระสารีบุตรจะมาเอาบวชเสอีกก็เลยจับไปแต่งงานตั้งแต่เจ็ดขวบเด็กก็ไม่ปภาษีภาษาอะไรนะฮะ คือตอนนี้นมันไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนที่เกิดประกายไฟปัญญาขึ้นมาเนี่ยคือตอนเขานาไปไหว้ยาทวดเอานำหลานทั้งสองนี่ไปเหรนทั้งสองนี่ไปไหว้ยาทวดยาทวดแก่แล้วอายุร้อยยี่สิบปีตุลักผู้ใหญ่ก็อวยพรให้ลูกหลานทั้งสองนี่มีอายุยังยืดเหมือนกับยาทวดร้อยยี่สิบปี เรวตาก็ ถ, ถามขึ้นมาว่าคือถ้าหากว่าเด็กผู้หญิงคนเนี้ยที่เป็นเจ้าสาวอ่ะก็ตัวเขาเนี้ยมีอายุครบร้อยี่สิบปีแล้วรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะเข <ouais. S 1> าก็บอกว่าใช่เกิดความคิดทันทีเลยอ๋อนี่เองพี่ชายพี่สาวเราออกบวชหมดเพราะเป็นอย่างนี้เองสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงแท้แ น, น่นอนในการเปิดหน้าผูกฟังแกเท่าชะลาไปตามการ มันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกอยู่รอความแก่ยุโรยยี่สิบปีไปเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะนั่นมันต้องวางแผนหนีแล้วออกออกบวชเข้าป่าท่านวางแผนทําเป็นท้องเสียลงจากเวียนเร่จนว่าคนระมัดระวังเนี่ยย้อนลงไปเพราะว่าท่านก็กลับมาทุกทีแหละแบบซุ่มอยู่หน่อยแล้วก็ขึ้นแบบซุ่มอยู่หน่อยก็ขึ้นจนก็วางใจนี่ใจแน่ใจว่าไม่หนีแล้วตอนนั้นนะท่านหนี นีเข้าไปอยู่ในป่าเห็นว่าเป็นการมองชีวิตจากปัจจุบันซึ่งเจ็ดขวบมองต่อไปอีกร้อยสิบสามปีว่าอีกร้อยสิบสามปีในทั้งตัวท่านเองแล้วก็ตัวผู้หญิงคนนั้นก็จะแก่ชราจนตาก็มองไม่เห็นจะไปไหนก็ส่วนล้มมีอิทธิปรากฏทั่วร่างกายมีร่างกายแก่งงอมปลายจะลาหนังเหี่ยวขนผมหงอกฟันหัก คือไม่มีอะไรที่น่าชื่นชมยินดีอะไรแต่แว่ามันมันมันอาจจะเกิดอะไรก็ได้ไอตัวภัสสะนี่ตอนตอนที่เป็นเวทนาเนี่ยมันเกิดสุข ก, ก็ไ ด, เ ด, กกได้เกิดทุกข์ ก, ก็ได้เกิดมาทุกข์ก็มาสุขก็ได้และจากนั้นมันจะเป็นตัณหารหรือจะเป็นธรรมะ ก, ก็ได้แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ท่านผู้สายเกิดท่านก็พูดถึงง่างๆคือเกิดกิเลสเราพูสาส้สายเกิดกิเลสสายเกิดกิเลสแล้วเกิดทุกข์ นี่ก็คือเป็นการมองตามกระบวนการของเหตุปัจจัยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าด้วยภาษาธรรมดาก็มีใช้ภาษาธรรมดาเช่นนิเทศแห่งปุเพนิวาสาติยานเวลาที่บายปุเพนิวะสารติญานเนี่ยเราก็พูดเป็นตนัวตนเช่นว่า เรามีชื่ออย่างนี้มีโคทษอย่างนี้มีวันหน้าอย่างนี้มีอาหารอย่างนี้เสวยสุขเสวยทุกข์กอย่างนี้แต่ก็มีครอบครัวอย่างนั้นอยงนั้นตายแ ล, แล้วไปเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราใช้เข้ามาเราเลยแต่เราตรงนี้ต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องสมมติกันโดยสื่อสารให้เกิดเข้าใจง่ายเป็นการพูดตามกระบวนการของเหตุปัจจัยเป็นโล ก, กสมมติโล ก, กบปัญญาโลกภาษาโลกกับนิรุตตโลกโวหารโลกบบัญญัติบัญญัติว่าเราก็เรา ก็ยังนึกยังนึกนึกอยู่เนี่ยยังคุ ย, ค, ยคุยกับพวกอยู่รแบบนี้มันก็สมมุติทรอนสมมุติอย่างพระที่เป็นเจ้าคุณเนี่ยนะคือสมมติสมมตซิซอนกันไปแต่หากว่าท่านเข้าใจวันนี้คือสมมติแล้วก็ใช้เป็นเครื่องมือในการกระทาความดีมันก็ได้ประโยชน์เยอะนะแต่ถ้าท่านหลงสมมติแล้วนี่แหมเพิ่มบาปได้เยอะเลยนะเป็นเจ้าคุณเนี่ย เป็นเจ้าคุณธรรมนัสสักสูงนั่งให้พวกท่าไหวอย่างนี้ยก็เป็นบาปแยะนะ่แล้วไม่ต้องทําอะไรมากเพแล้นก็อยู่ที่ว่าเรามีความรู้เข้ากํากับตรงนี้หรือไม่ว่าเราไม่ได้เป็นจริงสักอย่างหนึ่งก็มีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านมรณภาพไปแล้วท่านเขียนตัวท่านอ่ะท่านชื่อเอื้อนเขียนเยาวา์จากจากจากไม่มีไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีเด็กเอื้อนไม่มีกุมานเอื้อนนี มากลายเป็นกุมารเอื้อนมากลายเป็นเด็กเอื้อนมากลายเป็นเด็กชายเอื้อนเป็นสามเณรเอื้อนแต่เป็นพระเอื้อนเป็นพระมหาเอื้อนแต่เป็นพระเอื้อนปเรียนเป็นพระมาเอื้อนขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะต่อมาตอนท่านมณภาพเนี่ยท่านเป็นที่菩萨娑婆สุทธเป็นเจ้าวาดที่วัดเทศศรินคาราววาดยังนึกว่าแล้วเสร็จแล้วว่าท่านมาสรุปว่าก็คือศพศพเป็นนะเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นศพตาย หมายความมันทั้งหมดที่เรียกชื่อมาเยอะเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันไม่จริงสักอันเดียวมันเป็นเรื่องกระบวนการของเหตุปัจจัยที่มีการสมมติบัญญัติกันนั้นก็แสดงว่าอยู่อย่างรู้เท่าทันถึงความจริงแล้วก็ท่านใช้สถานะที่สมมติแต่มันเปิดโอกาสนะฮะสมมติตัวนี้ในแง่ของสังคมมันเปิดโอกาสให้เรามีตำแหน่ง มีหน้าที่แล้วก็มีอำนาจที่จะทํางานได้งานเป็นดันมากแม้เราจะอยากทําเนี่ยเราไม่มีตําแหน่งเราจึงไม่มีอำนาจแล้วเราก็ไม่มีหน้าที่เราไม่มีหน้าที่เราไม่มีอำนาจเพราะเราไม่มีตําแหน่งนเพราะในแง่ของความเป็นสังคมแล้วตําแหน่งเนี่ยมันมีส่วนเป็นเครื่องมือในการสร้างโอกาสให้แก่ตัวเองที่เราทํางานรับใช้สังคมแต่ อย่าลงยึดติดในตัวสมมติปัญญาตรงนั้นคือถือว่าเมื่อถูกสมมติขึ้นมาก็ต้องเล่นบทนี้ให้ดีก็แล้วกันตีบทให้แตกแล้วก็เล่นให้ดีที่สุดเลขสมมติก็เป็นอันเลกสมมติกันเป็นการปรับภ่าทีของตนให้เหมาะสมสอดคล้องแ ก, ก่กรณีที่ตนเป็นต้องฟังทงั้งหลาย แต่ลมประภทยญาในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี